ในตอนที่แล้วข้าพเจ้าได้อธิบายให้เข้าใจถึงโครงสร้างของกามมาชันทะมาอย่างละเอียดซึ่งผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าเพราะเหตุไรกามมาชันทะจึงเป็นสิ่งที่ละได้ยากที่สุดจนกระทั่งคนส่วนมากถือว่ากิเลสอันนี้เป็นธรรมชาติของคนคือเป็นสิ่งที่ละไม่ได้ทาให้หมดไปไม่ได้เพราะการกระทาเช่นนั้น เป็นการกระทำที่ผิดธรรมชาติซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ความเป็นจริงสิ่งใดเกิดจากเหตุสิ่งนั้นย่อมดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้เพราะความสิ้นแห่งเหตุและโดยธรรมดาไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่มีการดับหรือไม่มีการสูญสลายกามฉันทะก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในกฎ ด, ดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้น ตามหลักความจริงมันจึงเป็นสิ่งที่ดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้เช่นตัวอย่างพระนาคามีซึ่งก็ยังเป็นคนอยู่และทั้งที่มีชีวิตอยู่แต่ก็สามารถละ ก, กิเลสอันนี้ได้จนหมดสิ้นจากสันดานและเป็นการหมดตลอดการด้วยและกิเลสอันนี้สูญพันไปเลยไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมาได้อีกแต่นักศึกษาส่วนมากไม่ยอมเชื่อว่า บุคคลเช่นพระนาคามีจะมีได้ในโลกนี้หรือในโลกไหนๆเพราะถือว่าเป็นการผิดธรรมชาติและอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่เคยเห็นตัวอย่างของคนที่ละ ก, กิเลสอันนี้ได้จริงๆไม่ว่าจากที่ไหนๆ ห, หรือในสังคมใดๆเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ยอมเชื่อว่ากิเลสอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถละได้เด็ดขาดเขาจะยอมเชื่อก็แต่เพียงว่า กิเลสอันนี้ขัดเกลาวให้ดีขึ้นได้แต่จะทำให้หมดไปไม่ได้อันหนึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่ากามฉันทะเกิดจากอวิชชาและอุปาทานตราบใดที่คนเรายังมีอวิชชาคือยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเช่นไม่ทราบว่าชีวิตเอากำเนิดมาจากวิญญาณ และกฎเกณฑ์ของชีวิตทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสภาพของวิญญาณและมองไม่เห็นว่าคนเราเมื่อตายแล้วก็ยังมีชีวิตยอยู่อีกตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ในสันดานชีวิตจะไม่มีวนันสู์ชีวิตจะต้องมีอยู่ตลอดไปผู้ที่ยังไม่เข้าใจถึงเรื่องชีวิตดังที่กล่าวมาก็คือผู้ที่มีวิชาครอบงำซึ่งเปรียบเหมือนคนที่ยังอยู่ในที่มืด ย่อไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้ถูกต้องตามความเป็นจริงอวิชชาดังที่กล่าวมานี้คือปัจจัยที่สําคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่ทําให้คนเราละกามฉันทะไม่ได้การออกจากกามฉันทะพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าสุภสัญญาเป็นเหตุให้เกิดกามฉันทะเนคขมะเป็นเครื่องออกจากกามฉันทะ เนคขมะตามสทบแปลว่าอุบายเป็นเครื่องออกจากกรามและตามที่ได้อธิบายไว้ในคำทีเนคขมะหมายถึงการออกบวชหมายถึงฌานและวิปัสสนาและหมายถึงมรรคผลและนิพพานเนคขมะที่หมายถึงการบวชก็เพราะการบวชเป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนเราอยู่ห่างจากกรามไม่ครุกคลีอยู่กับกรามจนเกินไป พระพุทธเจ้าทรงเปรียบคนที่มีใจหมกมุ่นอยู่ในกามเหมือนกับไม้สดที่แช่อยู่ในน้ําธรรมดาไม้สดไม่สามารถที่จะเอามาทําเป็นไม้สีไฟได้หรือถึงแม้จะทําเป็นฟืนแต่ในขณะที่มันยังสดอยู่มันก็ไม่อาจที่จะเป็นเชื้อเพลิงได้คนที่ปลีกตัวออกจากคารวาสมาเป็นนักบวช พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนกับไม้สดที่เอาขึ้นจากน้ำแล้วและถึงแม้จะบวชแล้วแต่ถ้าจิตใจยังยินดีอยู่ในกามก็แปลว่ายังเป็นไม้สดอยู่ต่อเมื่อใดาสามารถเข้าสมาธิเจริญวิปัสสนาได้จนกระทั่งกามวัันค่าสงบนิวานต่างๆไม่ครอบงำในตอนนี้เปรียบเหมือนไม้ที่แห้งแล้ว ซึ่งพร้อมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือทาไม้สีไฟได้จงสังเกตว่าเนคข ม, มะซึ่งหมายถึงการออกบวชนั้นถ้าเป็นการบวชแต่เพียงทางกายส่วนใจยังไม่ได้บวชก็แปลว่ายังไม่ได้ออกจากการแต่โดยธรรมดาคนที่ตั้งใจบวช ด, ด้วยศรัทธาและบวชเพื่อต้องการละ ก, กิเลสจริงๆถึงแม้บวชแล้วจะยังละ ก, กิเลสไม่ได้จริงๆ แต่ในเมื่ออยู่ห่างจากอารมณ์ที่จะยั่วให้เกิดกิเลสก็ย่อมจะทำให้กิเลสสงบเบาบางลงไปบ้างเพราะฉะนั้นการออกบวชจึงนับว่าเป็นอุบายสำหรับออกจากกรามในขั้นแรกอันที่จริงคำว่าเนคขมะในความหมายที่แท้จริงแล้วย่อมหมายถึงฌานและวิปัสสนาโดยตรงคือแปลว่าแม้ว่าเราจะเป็นคราวาท ไม่ได้ออกบวชก็จริงแต่ถ้าหากในบางครั้งเราสามารถเข้าสมาธิได้จเจริญวิปัสสนาได้ทำให้นิวรณ์ทั้งห้าสงบได้ชั่วขณะในตอนนี้ก็ได้ชื่อว่าเราได้บวชหรือได้บาเพ็ญเนคขมะบารมีเพราะโดยธรรมดาคนเราจะออกจากกามฉันทะได้จริงๆก็ต่อเมื่อเข้าสมาธิได้เท่านั้น คำว่าเข้าได้ในทีน่นี้หมายถึงสามารถทำจิตให้สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าได้ซึ่งในเมื่อ น, นิวรณ์ทั้งห้าสงบได้จริงๆแล้วจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าภายในจิตใจมีสติควบคุมอยู่ทุกขณะจิตจะนึกคิดอะไรหรือมีความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นจะรู้สึกตัวได้เสมอทุกขณะและสามารถควบคุมความนึกคิดได้ คือจะคิดเรื่องไหนก็มีแต่เรื่องนั้นความคิดในเรื่องอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้และถ้าชำนาญหรือเข้าสมาธิได้ดีขึ้นก็สามารถหยุดความนึกคิดได้ทุกอย่างทำใจให้ว่างจากความนึกคิดได้ทั้งหมดและพร้อมกันนั้นภายในจิตใจก็จะมีความแจ่มใสมีความเบิกบานเกิดขึ้นด้วยสำหรับคนที่เข้าสมาธิได้อย่างนี้ ตลอดเวลาที่ใจยังสงบและแจ่มใสยอยู่เช่นนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดว่ากามาฉันทะสงบอย่างเด็ดขาดคือภายในจิตสํานึกจะรู้สึกว่าไม่อยากได้อะไรไม่อยากเป็นอะไรซึ่งรวมทั้งความครายหรือความกําหนดในเพศตรงกันข้ามก็จะไม่มีด้วยแม้จะนึกขึ้นมาถึงเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาหรือจะนึกฝันจินตนาการอย่างไรก็ตาม ที่จะให้เกิดความใคร่ตราบใดที่ใจยังสงบมีสติอยู่กับตัวภายในใจยังมีความแจ่มใสมีความเบิกบานอยู่เสมอความใคร่จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยไม่ว่าจะนึกอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเมื่อใดความสงบภายในค่อยๆเลือนลางหายไปแล้วความอยากต่างๆก็จะเกิดขึ้นแต่ถึงกระนั้น มันก็าอาจจะเปลี่ยนรูปไปในทางที่มีเหตุผลและควบคุมได้ง่ายขึ้นอันหนึ่งจงจําไว้ว่าการละการมฉันทะไม่อาจจะทำได้ด้วยการใช้เหตุผลกล่าวคือถึงแม้เราจะพยายามนึกถึงเหตุผลต่างๆในทางที่ทำให้เห็นว่าเราไม่ควรจะมีความอยากความรักหรือความใข่เกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่แล้วก็จะละความอยากไม่ได้ อารมณ์หรือสิ่งยั่วยา้าวยังคงมีอิทธิพลซึ่งในที่สุดก็ต้องทำไปตามความอยากจะบังคับตัวเองไม่ได้ในการใช้เหตุผลนั้นเป็นการคิดอย่างแบบคนธรรมดาเพราะในใจไม่ได้มีความสงบเหมือนในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่ตรงกันข้ามในขณะที่อยู่ในสมาธิแม้จะไม่ใช่เหตุผลหรือไม่นึกถึงเหตุผลใดๆเลยก็ตาม การมาฉันทะก็จะไม่เกิดจุดนี้เป็นหลักที่สำคัญมากถือเป็นกฎตายตัวได้ทีเดียวว่าตราบใดที่เรายังเข้าสมาธิไม่ได้หรือว่าไม่เคยพบกับความสงบภายในย่อมไม่มีทางที่จะละการมาฉันทะหรือปลีกตัวออกจากการมาฉันทะได้เพราะโดยธรรมดาการที่คนเราจะละอะไรได้ จำเป็นจะต้องมีสิ่งชดเชยที่มีคุณค่าเหนือกว่าในเมื่อคนเรามีชีวิตครุกนีอยู่กับกามฉันท่าตลอดเวลาเหมือนกับปลาที่จำเป็นจะต้องอยู่ในน้ําฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะให้ปลาหนีจากน้ําเว้นแต่ว่าถ้าหากปลาตัวใดในเมื่อออกจากน้ํามาแล้วมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้และสบายดีกว่าตอนที่อยู่ในน้า ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้ปลาตัวนั้นก็จะมองเห็นว่าตนเองไม่จำเป็นจะต้องอาศัยน้ำเสมอไปข้อนี้ฉันใดสำหรับคนธรรมดาที่ยังไม่เคยเข้าสมาธิได้ไม่เคยพบกับความสงบภายในเลยตลอดเวลาทุกขณะจิตความคิดของเขาหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้ เขาก็ย่องจะมองเห็นแต่ในแง่ที่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้และมีความสุขอยู่ได้ก็ต่อเมื่อได้เห็นภาพที่สวยงามฟังเสียงที่เพราะโดมกลิ่นที่หอมพระประทานอาหารที่อร่อยได้สัมผัสที่ดีนอกจากนี้แล้วเขามองไม่เห็นว่าเขาจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่คิดที่จะละหรือตัดกามฉันทะ ถึงแม้ว่าในบางครั้งตารมาฉันทะมันจะทรมานเขาอย่างแสนสาหัสก็ตามแต่เขาก็มองไม่เห็นว่าจะละมันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะทรมานอย่างไรก็จําต้องอยู่กับมันขอให้สังเกตว่าสําหรับคนที่ไม่เคยเข้าสมาธิได้เลยนั้นเขาจะมีอวิชชาอันหนึ่งที่ครอบงำอยู่ตลอดเวลาคือเขาคิดว่า คนเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีความรักมีความใคร่มีความพอใจมีความอยากได้ถ้าหากความรู้สึกอันนี้หมดไปชีวิตก็จะเหี่ยวแห้งไม่มีความหมายอะไรข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่ากามฉันทาก็คือกามตัณหาการที่คนเราละตัณหาไม่ได้ก็เพราะมีอวิชชาและมีอุปาทานที่เกิดจากอวิชชา อาวิชาตันหาอุปาทานกิเลสสามตัวนี้ประกอบอยู่ด้วยกันเสมอแยกจากกันไม่ได้และต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าอันหนึ่งยังเข้มข้นอยู่อีกสองอย่างก็ต้องเข้มข้นด้วยถ้าอันหนึ่งอันใดเบาบางลงอีกสองอันก็ต้องเบาบางด้วยเพราะฉะนั้นตราบใดที่คนเรายังเข้าใจผิดโดยคิดว่า เขาจะมีความสุขก็ต่อเมื่อต้องมีความรักความพอใจดังที่เขาเป็นอยู่เขาก็จะลาตันหายอันนั้นไม่ได้เช่นคนที่ติดฟินเขาก็จะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเขาจะเว้นจากฟินไม่ได้เขาจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้สู่ฟินความคิดของคนประเภทนี้สำหรับคนที่ไม่ติดฟิน มองเห็นได้ชัดว่าเป็นความเข้าใจผิดเพราะความเป็นจริงนั้นฟินไม่ใช่สิ่งจําเป็นถ้าเขาเลือกได้จะมีความสุขดีกว่าและเป็นสิ่งที่เลือกได้ด้วยไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้แต่สําหรับคนที่ยังติดฟินอยู่อย่างมากและมีโอกาสที่จะสูบได้เสมอเขาก็จะมองเห็นว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องเลิกสูบฟิน หรือบางทีก็รู้สึกว่าเขาเลือกไม่ได้ขอให้สังเกตว่าจากความเข้าใจผิดนั้นทำให้เกิดความยึดถือที่ผิดผิดหลายอย่างในเมื่ออวิชาและอุปาทานยังครอบงำเขาอยู่เช่นนี้เขาย่อมไม่มีทางที่จะละตันหาในเรื่องผิดได้ถ้าหากเขาเริ่มจะละได้และเกิดความพยายามที่จะละก็เพราะเขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่า การสู่ฟิล์ไม่ดีจริงๆการสู่ฟิล์ไม่ใช่สิ่งจําเป็นและแล้วความคิดที่จะเลือกนี้ก็จะค่อยๆรุนแรงขึ้นเป็นลําดับซึ่งถ้าเมื่อใดเขาแน่ใจว่าเขาสามารถเลือกได้จริงๆก็แปลว่าในตอนนั้นการติดฟิล์ของเขาได้เบาบางลงมากแล้วเขาจึงได้มองเห็นถึงโทษอย่างจริงใจและมีความแน่ใจว่าจะเลือกได้ จงสังเกตว่าเมื่ อ, อวิชาและตัณหาได้คลี่คลายเช่นนี้แล้วทัศนะในการดําเนินชีวิตหรือความยึดถือต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีการยึดถืออย่างผิดๆอย่างที่เคยมีมาเมื่อก่อนเช่นถือว่าฝีนเป็นสิ่งจําเป็นเช่นนี้เป็นต้นก็จะหมดไปในทานองเดียวกันในเมื่อเรามีความพอใจอยากได้อะไรหรืออยากทําอะไร แม้สิ่งที่เราพอใจอยากได้นั้นจะไร้คุณค่าแต่เมื่อได้สมความปรารถนาแล้วทำให้เรามีความสุขเราก็ย่อมจะไม่รู้ตัวว่าความรักหรือความพอใจที่เรามีอยู่นั้นไร้คุณค่าสมควรจะเปลี่ยนสมัยตัวอย่างเช่นผู้ชายบางคนหลงรักผู้หญิงบางคนซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่มีคุณค่าสมควรที่จะรักเลย แต่ในเมื่อความรักอันนั้นฝังลึกเสียแล้วและเขาก็ได้รับความสุขหลายอย่างซึ่งเป็นความสุขที่เขาพอใจมากจากผู้หญิงคนนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะเห็นชัดว่าทั้งที่ความรักอันนั้นเป็นความรักที่ผิดมีเหตุผลไม่พอแต่เขาก็จะเลือกไม่ได้ในฝ่ายผู้หญิงที่หลงรักผู้ชายซึ่งมีคุณค่าไม่พอหรือไม่เหมาะสม แต่แล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลิกรักไม่ได้ก็อยู่ในกฎอันเดียวกันไ่นในทํานองเดียวกันการที่คนเราหลงรักหลงบูชาความสนุกเพลิดเพลินชื่อเสียงกิยิยศความมั่งมีความเป็นอยู่อันสะดวกสบายโดยไม่รู้สึกตัวกันเลยว่าการหลงรักบูชาในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดก็เพราะในชีวิตประจาวันของคนทั่วไป คนเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่ออาศัยสิ่งเหล่านี้เมื่อเว้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตก็จะเหี่ยวแห้งไร้ความสุขสดชื่นเขายังไม่มีความสุขอย่างอื่นที่จะมาชดเชยฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องบูชาสิ่งเหล่านี้อันหนึ่งเรารู้กันดีว่าเราทุกคนรักชีวิตทุกคนอยากมีชีวิตไม่มีใครอยากตาย ความรักชีวิตเป็นไปอย่างลึกซึ้งที่สุดทั้งทั้งที่ชีวิตอันนี้ได้ทรมานเราอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีไม่ใครรู้สึกตัวว่าความรักอันนี้เป็นความมืดบอดเพราะไม่ว่าใครก็เป็นอย่างเดียวกันทั้งหมดจงจําไว้ว่าความรักในชีวิตของตัวเองก็คือตันหาอย่างหนึ่งและการที่คนเราไม่รู้สึกตัวกันในเรื่องนี้ เพราะยังไม่เคยได้รับความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางหรือบางคนอาจจะสังเกตได้ว่าในขณะปล่อยวางจิตใจสบายกว่าในขณะที่กำลังยึดถือแต่แม้กระนั้นเนื่องจากในชีวิตประจำวันตัวเองได้รับความสุขจากความพอใจในตัวเองมากกว่าการปล่อยวางเพราะฉะนั้นจึงมองไม่เห็นว่าการปล่อยวางคือความพ้นทุกข์ ซึ่งเป็นการพ้นอย่างแท้จริงและพ้นอย่างเด็ดขาดด้วยอันที่จริงคนไหนถ้าเริ่มหัดปล่อยวางตัวตนได้ก็จะเริ่มรู้จักชีวิตภายในเข้าใจเรื่องชีวิตภายในดีขึ้นและในเมื่อเข้าใจเรื่องชีวิตภายในอย่างลึกซึ้งแล้วการปล่อยวางต่อชีวิตภายนอกก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ยากแต่อย่างไรก็ดี คนที่จะรู้จักชีวิตภายในนั้นนอกจากจะต้องเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในใจอย่างดีแล้วจะต้องสามารถเข้าสมาธิได้ด้วยต้องได้รับความสงบจากภายในอย่างเพียงพอเขาจึงจะสามารถละความพอใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเองคือตัวตนที่เป็นเนื้อหนังอันนี้ได้อย่าลืมว่าคนเราจะละอะไรได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งชดเฉย ถ้าการชดเชยมีไม่พอหรือมีคุณค่าน้อยกว่าก็ย่อบจะลากของเก่าไม่ได้อันนี้เป็นหลักสำคัญมากด้วยเหตุนี้ในทางพุทธศาสนาจึงได้ถือเป็นหลักตายตัวว่าคนเราจะออกจากกามฉันทะาได้ต้องอาศัยเนี่ขำมาซึ่งหมายถึงการบวชหมายถึงสมาธิและวิปัสสนาและหมายถึงมรรคผลนิพพาน